ยินีีตอนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของตายรมโพธิบทเรามาฝึกทาจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งตูมฝังเพื่อที่เราจะไปฟังเรื่องเบสิกพื้นฐานที่จะเป็นพื้นฐานให้ถึงยอดให้ถึงเรื่องที่สำคัญต่อไปได้พื้นฐานมีความสาคัญนะตูมฟัง เรามาฝึกจิต ท, ทำสมาธิมันเป็นเรื่องพื้นฐานพื้นฐานตั้งสติเอาไว้วันนี้เรามานึกถึงพุทโภจเจริญพุทธานุสติจเจริญพุทธานุสติคือการตามระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีคุณหลายอย่างการที่เรารู้คุณใครสักคนใดคนหนึ่งนั่นคือความกระตันอยู่ เรารู้คุณของมารดาบิดาเราก็มีความกระตันอยู่ละในที่นี้เรามารู้ถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระพุทธเจ้านั้นมีหลายอย่างให้หลายๆอย่างนั้นมารวมอยู่ในคุณข้อพุทธโธพุทธโธพุทธโธตั้งพุทธโธไว้ท่ามกลางอกนึกถึงพุทธโธอยู่ตรงนี้ ที่ท่ามกลางอกเหนือลิ้นปีขึ้นมานิดหนึ่งนั่นแหละเอตรงจุดนั้นพุทโธพุทโธพุทโธอยู่คือท่องเลยแหละปรุงแต่งขึ้นมาเลยคือคิดนึกเลยยกความคิดที่ใช้คำพูดในใจว่าพุทโธพุทโธพุทโธนีแห ล, ละขึ้นมาเลยแน่นอนนะว่าบางทีเราก็มีความคิดอื่นแทรกขึ้นมาใช่ไหมเรื่องอาหารเรื่องอดีตอนาคต และแน่นอนนะเดี๋ยวเราก็จะมีเสียงอื่นๆที่เราอยู่ในห้องบังข้างห้องบังข้างบ้านบางเดินทางบ้างอันนี้มันต้องแทกกเข้มาย่แล้วและเป็นธรรมชาติของจิตที่มันมักจะคล้อยเคลื่อนไปตามความคิดไปตามเสียงตามภาพเหมือนลิงมันจะไปป่าเหมือนจระเข้มันจะลงน้ำเหมือนนกมันจะบินขึ้นฟ้าเป็นธรรมชาติของจิตของเราที่จะไปตามอารมณ์ความคิดความรู้สึก เสียงภาพต่างๆเหล่านั้นที่หมายกระทบว่านมันมีกำลังมากกว่ากันแต่ในที่นี้พอเราตั้งสติไว้อยู่กับพุทโธพุทโธเนี่ยในความที่จิตมันจะเผลอไปคล้อยไปเคลื่อนไปเปลินไปร้อยเปอร์เซนมันจะเบาบางลงทำไมนะเพราะว่าสติตรงข้ามกับเผลอสติคือความไม่ประมาทตรงข้ามกับความเปลินคือความประมาท สติคือการระลึกได้ตรงกันข้ามกับการที่เราเพลินไปตามอารมณ์เผลอไปตรงข้ามกันเพราะด้วยความที่ตรงข้ามกันอย่างนี้พอมีสติขึ้นปุ๊บไอ้ความเพลินความอะไรความเผลอไปอะไรความประมาทไปอะไรมันลดลงหน่อยหนึ่งจิตที่ว่ามันจะไปร0 0เนต์ไปทางนู้นมันไม่รู้ล่ะมันกงต้องแบ่งมาอยู่กับพุโทโธนะ พอแบ่งมาอยู่กับพุโทโธส่วนที่แบ่งมาส่วนที่ระลึกนึกถึงพุโทโธได้ความระลึกได้นั้นคือสติสติเกิดขึ้นแล้วเลยณนะจุดนั้นเลยสติที่เกิดขึ้นจากการที่เรามานึกถึงระลึกถึงพุโทโธสตินั้นคือพุทธานุสติสติก็จะมีกําลังมากขึ้นตามกระบวนการของพุทธานุสติ เพราะสติมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นแน่นอนว่าเราตริตรึกไปทางไหนนะสิ่งนั้นก็จะมีพลังมีกำลังเราไม่ตรึกตรึกไปทางไหนนะสิ่งนั้นก็จะอ่อนกำลังเบากำลังลงในที่นี้เราไม่ตริตรึกไปตามความคิดตามเสียงตามภาพที่ผ่านมามาก็มาอายุแต่ว่าที่เราจะเพลินไปมันลดลงมันจะเป็นการแยกแยะไปในตัวตั้ังสติจึงเป็นการแยกแยะ เปน็นแค่เพียงเราสังเกตสังเกตจริงต่างๆรอบตั ว, วโดยไม่ลืมพุโทโธฟังอีกครั้งหนึ่งนะแน่นอนว่าบางทีเราก็สังเกตท้องฟ้าต้นไม้ภูเขาเส้นทางต่างๆแต่คราวนี้เราสังเกตด้วยโดยที่การไม่ลืมพุโทโธด้วยมันจะแตกต่างกันมากแตกต่างกันตรงไหนแตกต่างกันตรงที่ว่าขณะที่เราสังเกตโดยไม่มีพุโทโธนี่จิตเราไม่มีเครื่องป้องกัน หรือก็ไปตามสิ่งก็ไปตามภาพพปตามความคิดมันจะปรุงแต่งไปเรื่อยเลยตามสิ่งที่เห็นตามสิ่งที่ได้ยินตามสิ่งที่มากระตุ้นนั้นนั้นนัแต่พอมีพุโทโธนี่จิตเรามาระลึกนึกถึงอยู่กับพุโทโธพุโทโธความระลึกได้นั้นคือสติสติจะเกิดทันทีคำว่างขณะที่เรานึกพุโทโธแต่ถ้าเมื่อไหร่เราลืมแบบเผลอไปโอ้ ลืมพุทโธแล้วไปไปไหนอ่ะโอ้ไปตามเสียงตามภาพตามความคิดนึกเอาลืมไปแล้ว่างนี้ก็คือสติหายไปแล้วห่ อ, อนกาลังลงแล้วสิ่งอื่นนั้นก็มีกําลังมากขึ้นมาแทนว่าเราระลึกได้เมื่ อ, อไหร่ว่าโ อ, โ อ, โ อ, โอ้เดี๋ยวเดวฉันต้องมานึกพุทโธเนี่ยเอากลับมาอยู่กับพุทโธอีกสติก็ตั้งขึ้นอีกเพราะอะไรเพราะความระลึกได้นั้นคือสติพอสติตั้งขึ้นได้อีกแล้วทำอย่างนี้อยู่บ่อยๆสต่ว่า ทำให้หน่งเนืองทำซ้ำทำย้ำไว้จะทำให้จิตนั้นค่อยๆระงับลงระงับลงระงับลงระงับลงระงับลงจนเป็นอารมณ์อันเดียวจิตที่เป็นอารมณ์อันเดียวนี้นั้นนั่นนะจึงเรียกว่าเป็นสมาธิสติเกิดก่อนสมาธิจึงเกิดตามมา ในขณะที่เรามีสติเนี่ยสมาธิยังไม่มีอยู่แล้วดูฟังอย่าไปคิดว่าโอ้ฉันนั่งหลับตานึกพูดตัวแล้วจิตต้องบึ้มเป็นสมาธิทันทีเดี๋ยวเด๋ยวมันคนละอย่างกันสมาธิก็สมาธิสติก็สติคนละอย่างกันแต่มันเข้ากันได้เหมือนน้ำนมกับน้ำผสมกันแล้วมันก็เข้ากันได้ทำคนละอย่างกันกําลังสติของคนเรามันไม่เท่ากันแต่ไม่สมาธิมันเกิดเร็วกว่าช้าแตกต่างกันในที่นี้เราฝึกสติคนเราไว้ ด้วยการเจริญพุทธานุสตินึกถึงพุทธโธพุทธโธพุทธโธอยู่หนึ่งเนืองขณะฟังธรรมะขณะขับรถขณะทำอะไ ร, ร, รไปก็ไม่ลืมหลงพุทธโธประสึกได้เมื่ อ, อไหร่โอ้ฉันต้องนึกพุทธโธเนี่ยนึกพุทธโธเลยมันกลับมาเลยทันทีสติเลยสติไม่หลุดแต่ตั้งสติไว้ได้ด้วยสติที่มีกําลังสมาธิมันก็เสริมเติมขึ้นมา ให้นำฟังรักษาสติรักษาสมาธิด้วยการเจริญพุทธานุสตินิไว้ให้ดีเอาล่ะทมฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาฟังหัวข้อธรรมะที่จะให้เกิดความลึกซึ้ง เข้าใจได้ดีไม่เป็นงูพิษเพราะสมาธิที่เราได้มาจากการทำสมาธิหัวข้อเหล่านี้พระพุทธเจ้าได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงสอนเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกอุปมาอุปมยัยประกาศบัญญัติเอาไว้เพื่ออะไรอเบื่อให้เราพ้นจากความทุกข์ ให้เราพ้นจากอำนาจของกิเลสให้เรามีสติปัญญาให้เราพบกับสิ่งที่เป็นฉุกเป็นมงคลจึงในทุกวันพุทธธรรมฟังธพรมชาวก็จะมาทำอย่างนี้แหละให้ธรรมฟังได้นั่งสมาธิกันสัก5านาทีสิบนาทีสิบ้นา ท, นาทีตามแต่ความยาวที่จะเหมาะสมในแต่ละครั้งละครั้งแล้วก็ให้ได้ฟังหัวข้อธรรมะ หัวข้อธรรมะตรงนี้แหละต้องฟังเรงียกว่าแม่บทแม่บทหรือว่าหัวข้อที่พระพุทธเาทนยกขึ้นบระลบเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งคำถามใดคำถามหนึ่งหรือสถานาการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งแล้วก็จึงบัญญัตินี้ขึ้นเพื่ออะไรอย่างที่ว่าเพื่อให้เราพ้นทุกข์ถ้าเหตุการณ์นั้นมันจะแก้ได้ด้วยธรรมข้อนี้นี่ท่านจึงบัญญัติไว้ เราก็มีห ล, หลายวาระที่พูดเรื่องคล้ายๆกันแต่นนยะมันแตกต่างกันนิดนึงตามแต่สถานการณ์ที่มากระตุน้นมาเกิดขึ้นแล้วท่านก็ใช้ปัญญาในการบอกสอนออกมาโดยได้เตือนไว้ด้วยท่านฟังว่าเวลาที่เราศึกษาหัวข้อธรรมาเหล่านี้จะต้องไม่ให้มันเป็นงูพิษ คือมันมีอันตรายอยู่แล้ ว, ลวนะโอ้ก็ธรมรารณการศึกษานี่เหมือนกับการไปจับงูพิษแต่ว่าการไปจับงูพิษแล้วคุณจะได้ประโยชน์จากงูพิษหรือจะถูกงูกัดเออต้องระวังตรงนี้คือถ้าไม่ไปจับงูพิษคุณก็ไม่ได้ประโยชน์จากพิษงูทุบละเหมือนกันถ้าเราไม่ได้มาศึกษาธรรมะเราก็จะไม่ได้ประโยชน์จากธรรมะนะ่ะ คือมล่ะศึกษานี่หมายถึงศึกษาด้วยการปฏิบาตนาแต่การไปจับงูพิษเพื่อที่จะได้ประโยชน์จากงูพิษก็ต้องระวังงูมันกัดด้วยเพราะมันกัดได้การมาศึกษาธรรมะเพื่อที่จะได้ประโยชน์จากธรรมะก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าถ้าเราศึกษาไม่ดีก็จะไม่ถูกต้องทำไม่เป็น หรือก็ใช้การเคลื่อนไปคนศึกษาธรรมะนี่เป็นทุกข์นะทุกข์กว่าเดิมอีกเช่นเอาธรรมะนี้ไปทิ่มแทงคนอื่นว่าอันนี้ฉันถูกอันนี้เธอผิดมีการกล่าวร้ายมีการกล่าวหากันละเอ๊ะมันไม่ใช่เรื่องความสุขนะนี่นะเออทาไมมันมีทุกข์แบบนี้หรือเข้าใจคลาดเคลื่อนไปแล้วแทนที่กิเลสมันจะลด โมหะกับดันเพิ่มได้เพราะทําให้ถูกปฏิบัติไม่เข้าท่าเข้าใจคลาดเคลื่อนไปเป็นอันตรายต่อทั้งตนเองเป็นอันตรายต่อทั้งคนอื่นแล้วพวกที่ยึดติดความดีเนี่ยนะมัเอาความดีมาเป็นข้ออ้างในการทําความชั่วก็ได้นะเพราะว่ายึดติดไงยึดถือความยึดถือจะไม่เกิดความชั่วได้ เอาไนะในนามของธรรมะแม้แกทําไม่ถูกธรรมะฉันก็จะทําให้แกได้ไม่ดีละ่ะเอามันก็ไม่ใช่การปฏิบัติธรรมใช่ไหมละ่ะเออกดันเป็นอย่างนี้ไปอีกหรือทุกในความที่ว่าทําไมคนหนึ่งเขาไม่ดีแบบนี้เลยแม้ดีต้องดีแบบที่ธรรมะบอกอวดโลกทําไมเป็นอย่างนี้พอรู้เรื่องความดีแล้วเห็นคนอื่นไม่ดี กลับมาทุกข์ใจว่าทําไมไม่มีใครทําความดีมากเท่าที่มันควรจะเป็นทุกหนักขึ้นอกเพราะว่ายึดถือในความดีไงต้อฟังอันนี้คือลักษณะที่ว่าไปจับงูพิษเราก็ถูกงูกันแล้วเราจึงต้องระวังในที่นี้วิธีการแก่อา้าวงั้นเราก็ฝึกสมาธิกันซะก่อนฝึกสมาธิกันสักครู่หนึ่งอัานาทีสบนาที เรามาฟังธรรมะกันวันนี้ก็จะพูดหัวข้อธรรมะที่ว่าด้วยเรื่องธรรมดาธรรมดาตามฟังเรื่องธรรมดาธรรมดาเรื่องทั่วทั่วไปทำไงมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเรื่องธรรมดาธรรมดานะแต่มันไม่ธรรมดาเรื่องพวกนี้ตรงที่ธรรมดาก็คือเป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่ทั่วๆ่วไปอยู่แล้วแต่เมื่อที่เรามองข้ามไปมองข้ามไปแล้วก็เลย มีความทุกข์มีปัญหาเพราะว่าความอยากมันนำหน้าเรื่องอยู่ต่อหน้า ต, ต่อตาบางทีไม่เห็นพอไม่เห็นเรื่องที่มันเป็นธรรมดาธรรมดาอยู่อย่างนี้แล้วก็เลยมีความทุกข์เรื่องธรรมดาที่จะยกขึ้นเหล่านี้จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องธรมธรมดาธรรมดาตัวว่างเป็นเรื่องสำคัญธรรมดาแรกกับธรรมดาหลังคนละความหมายนะ ธรรมดาในข้อแรกที่ว่าเรื่องธรรมดามีความหมายอย่างหนึ่งธรรมดาที่สองที่ว่ามันไม่ธรรมดานะเนี่ยเป็นความหมายอีกอย่างหนึ่งเอาข้อที่สองก่อนที่ว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานี่หมายถึงว่ามันสำคัญหรือไม่สำคัญซึ่งพอเราคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาใช่เราก็เลยคิดว่ามันอาจจะไม่สำคัญเป็นื่อธรรมดาหนหัวข้อที่2นี่ก็คือนะเป็นเรื่องทั่วไป ที่ว่ามันจะไม่สําคัญแต่จริงมันสําคัญนะจึงต้องบอกว่ามันไม่ธรรมดาแต่ี้ความหมายของธรรมดาอันแรกธรรมดาธรรมดาเลยเนี่ยเรื่องธรรมดาธรรมดาเลยเนี่ยหมายถึงเป็นสิ่งพื้นฐานเลยไงเป็นเรื่องเบสิกเป็นเรื่องพื้นฐานเป็นเรื่องทั่วๆไปที่ทําให้บางทีเราก็จึงคิดว่ามันไม่สําคัญแต่ไม่ใช่พื้นฐานนี่แหละท่านผูฟังเอ้ย มันสำคัญมากๆเลย back to basic อะ่ะ back to basic คือกลับมาที่พื้นฐานกลับมาที่รากฐานเพราะอะไรจะต่อขึ้นไปสูงแค่ไหนมันพื้นฐานมันต้องสำคัญพื้นฐานเนี่ยมีความจำเป็นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญในการที่เรามาทำความเข้าใจเรื่องพื้นฐานพื้นฐานอย่างนี้อีกนี่นั่นเองเรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดาตฟัง เอาคำแรกก่อนเลยที่ประพุทธเจาตรัสเอาไว้กับเราภิกษุปัญจาว่าขีพูดเอาไว้แต่แบบไม่ได้พูดแปะนะอธิบายยืดยาวเลยเป็นธรรมบทรแรกข้อแรกจนเขาเอามาเขียนไว้เป็นประสูนที่ชื่อว่าธรรมจักกับประวัตินสูได้นะ่ะก็คือการหมุนกงรอแห่งธรรมะสอนเรื่องเรียสัตว์เสียไว้ทุกสมุดไทยนิ้วรถมาร์กนี้ใช่ไหม เพื่อให้เข้าใจตรงนี้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาความเข้าใจตรงนี้เกิดขึ้นกับท่านกโัญญะในขณะที่ฟังอยู่นั้นแล้วก็เกิดขึ้นกับภิกษุอีกสี่รูปต่อมาที่ได้ฟังตามต่อกันมาอีกวาระหนึ่ง ความเข้าใจที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาความเข้าใจนี้นั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกตรงๆในสเตทเมนต์คำพูดแบบนี้แต่บอกไว้ด้วยเรื่องของอริยสัจสี่จึงทําให้เกิดความเข้าใจอันนี้ว่าอ๋อมันเป็นธรรมดาเนี่ยแหละที่ว่ามันจะเกิดที่ว่ามันจะดับเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลย เป็นเรื่องเบสิกเป็นเรื่องพื้นฐานที่ใครๆเขาก็รู้เขาก็เข้าใจแต่เข้าใจแล้วมันจะเข้าถึงไหมเข้าไปในใจไหมหรือเข้าหูแล้วก็ค้างไว้ที่สมองมึงทีก็ลืมหลงหน้าหลงหลังด้วยในความที่เราจะเข้าไปในใจในเรื่องธรมธรมดาธรรมดานี่พระพุทชาวนี่จึงตรัสไว้เยอะแยะมากมายเลยพราพุทธเ้าก็จึงไปขุดเจ้าคำว่าธรรมดาธรรมดาขึ้นมา ดูใช่ว่าอันไหนที่มันว่าธรรมดาแล้วแต่มันไม่ใช่เรื่องไม่สําคัญว่ามันเป็นเรื่องสําคัญมากๆนี่เอามายกรวบรวมกันอธิบายท่านบวชได้เกิดความเข้าใจเข้าถึงในเรื่องทั่วๆไปเรื่องสามัญเรื่องพื้นฐานซ้ําย้ําพื้นฐานกันอีกครั้งหนึ่งเพราะมันเป็นเรื่องสําคัญประการแดกนั่นก็คือความเกิดขึ้นความดับไป ที่เป็นธรรมดาธรรมดาในที่นี้คือฟันธงออกไปเลยแน่นอนพื้นฐานเบสิกสำคัญสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาพวกเดทัหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดสวยงามไหมทุกผวัาางทั้งคำแรกตั้งแต่ตอนแสดงทำครั้งแรกจนคำสุดท้ายอยู่ันเตียงที่ท่นปริณิบาน มันมันสอดคล้องกันมากๆเลยเอออันหนึ่งธรรมดาเกิดตันหนึ่งธรรมดาดับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้ตอนแสดงธรรมจักรมีความรู้ความเข้าใจนี้เกิดขึ้นในจิตของท่านพระัญญโกรณัญญ า, ญญาเขาจึงเรียกท่านว่ากนณัญญะผู้รู้อัญญาอัญญานี่ัญญาสี่นี่โอ้รู้แล้ว เข้าใจแล้วตรัสรู้แล้วเข้าเปนในใจไรเรื่องธรรมดาเนี่ยจึงเรียกว่าท่านพระกุลดัญยศผู้รู้รู้ก่อนเพื่อนเลยจนวาระสุดท้ายของพระพุธชาานะอยู่นเตียงบริณิพนธ์ว่าสังขารต้องหลายไม่เที่ยงนะมันเป็นอย่างนี้แหละซืรอมสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่าประมาทนะอย่าประมาท จะไม่ประมาทได้ก็ให้เกิดความเข้าใจว่าสิ่งใดที่เป็นธรรมดาเกิดก็เป็นธรรมดาดับคงมันเป็นอย่างนี้เป็นพื้นฐานเป็นเบสิกเบสิกพื้นฐานมีความสำคัญมากคำก่อนและคำหลังของพระพุทธเจ้าสอดคล้องลงรับกันไม่ขัดกันโดยเป็นประการอื่นมีความหมายที่เป็นเข้ากันได้เหมือนนมกับน้า มีความรัดกุมรอบคอบในบทเปลี่ยนชนะเหล่านี้ให้เห็นถึงความสําคัญในเรื่องที่มันดูเหมือนไม่สําคัญเป็นเรื่องเบสิกพื้นฐานสองข้อแล้วนะทุกฝัง่งนะสองหัวข้อธรรมะที่พระบรมชาประกาศไว้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาเราไปทําความเข้าใจอย่างงี้ยหมูมนี้ด้วยว่ามันทําไมมันถึงเป็นธรรมดาอย่างงี้คำ ว, ว่าธรรมดานี่จึงหมายถึงความที่ว่ามันเป็นอย่างนี้ล่ะ มันต้องยอมรับโดยความที่มันก็เป็นอย่างงี้แหละะให้มันเป็นไปโดยประการอื่นมันไม่ใช่อย่างไงมันก็เป็นอย่างนี้ว่าเป็นเรื่องธรรมดางเขาเป็นอย่างนี้ว่าพระอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกอยู่ว็ลักหรือถ้าโลกมันหมุนเปลี่ยนทิศเราก็เรียกทิศใหม่ที่พระอาทิตย์มันไปในระดับวันทิศตะวันออกอีกเหมือนกันทิศทางนั้นไอ้ที่เปลี่ยนไปแล้วของเก่าเดิมก็เปลี่ยนชื่อไปไม่ได้ถูกเรียกเหมือนเดิมอีกเราจะมันเป็นอย่างนั้นน่ะ มันเป็นอย่างนี้แหละคุณต้องยอมรับมันนะเรื่องที่เป็นธรรมดาธรรมดานี่คุณต้องอยู่กับมันนะคุณต้องยอมรับมันเพราะมันเป็นอย่างนี้ของมันอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ใช่มันเป็นอย่างอื่นมันไม่ใช่พมันเป็นอย่างนี้ไอ้สิ่งที้มันเป็นอย่างนี้เราเห็นทุกวันเราก็เห็นมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราก็เลยคิดว่าจะประมาทเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันก็ไม่สำคัญมันก็เห็นอยู่ทุกวันอยู่แล้วคนตายก็ตายทุกวันอยู่แล้วคนเกิดก็มีทุกวันอยู่แล้ว แต่เกิดและตายนี่เป็นเรื่องธรรมดานะตำรวเอาก็ใช่ไงเห็นทุกวันอยู่แล้วแต่อย่าคิดว่าไม่ใช่เรื่องสําคัญนะตำงวจไม่ใช่เรื่องธรรมดาธรรมดานะแต่เป็นเรื่องธรรมดาที่มีความสําคัญถ้าเราประมาทเราเบือไปในสิ่งที่เป็นธรรมดานั้นจะทุกข์มากนะฉนจึงเตือนไว้อะให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทในเรื่องที่เป็นธรรมดา ของความสิ้นไปความเสื่อมไปสิ้นไปเสื่อมไปได้เป็นยังไงมาจากอะไรธรรมดามันสิ้นมันเสื่อมได้เพราะมันเกิดได้เกิดเป็นธรรมดามันก็เสื่อมเป็นธรรมดาสิ้นไปไอ้สิ้นไปเป็นธรรมดาของมันนั้นอย่าประมาทนี่มันรปครับเปิดนะปิดไว้ห่อไว้รักษาไว้อย่างดีเลยคาสอนนี้เปิดไว้ด้วยเกิดระดับวาธรรมดาปิดไว้ด้วยความดับวาธรรมดานั้น อย่าประมาทอย่าประมาทเรื่องสำคัญท่านไม่ต้หวังเรื่องที่สำคัญเป็นพื้นฐานนั้นกัปปะเจ้านี่ได้พูดไปห ล, ลายๆอปพิโซดก่อนสักประมาณต้นปีนี้ละมะั้งที่พูดถึงเรื่องของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความชิบหายที่ถ้า สิ่งที่มันมีความแก่เป็นธรรมดาเราจะไปขอให้มันอย่าแก่สิ่งที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาจะขอให้มันอย่าเจ็บสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าเอาขออย่าให้ตายสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาก็ว่าอย่าสิ้นไปสิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาโนโนโนอย่าชิบหายไปเอาก็มันจะเป็นธรรมดาก็มันอย่างนั้นใช่ไหมล่ะเราจะให้มันเป็นอย่างอื่น ตนจึงบอกว่าฐานะแบบนี้เป็นฐานะที่ใครๆก็ไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับฐานะเรื่องเกี่ยวกับสภาวะเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่มันจะต้องเป็นไปอย่างไรเอาเรื่องฐานะในที่นี้ที่ไม่ใช่ใหมายถึงฐานะทางสังคมเงินทองอะไรอย่างนั้นนะแต่เป็นที่ตั้งที่ว่าอย่างไรมันก็เป็นอย่างนี้ เรื่องของความแก่ความเจ็บความตายความสิ้นไปความชิบหายเกิดขึ้นกับทุกคนไม่เว้นเลยทั้งเทวดาพร้มด้วยและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในสากลจักรวาลนี้มีความแก่ความเจ็บความตายความสิ้นไปความชิบหายไปหมดทุกอย่างเสมอภาคกันแน่นอน ที่บอกว่ามันไม่มีความยุติธรรมนั่น น, นี่นูนความยุติธรรมอันหนึ่งมีแน่นอนเนื่องจาความที่ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องสิ้นไปต้องชิบหายเศร้าหมองมีแน่แต่ารายละเอียดมันจะแตกต่างกันอยู่เช่นงพวกเทวดาความสิ้นไปความเสื่อมไปของเขาก็จะเจอน้อยหน่อยแต่มีแน่แล้วก็จะห่างกันหน่อยแต่ว่าถ้าดูไม่ออกมองไม่เห็น จริงๆแล้วมันเกิดทุกขณะเลยความสิ้นไปความเสื่อมไปความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันมีอยู่ทุกขณะแต่มันซ่อนมาถ้าเราไม่เห็นเราก็เพลินไปท่านจึงให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องสำคัญในสิ่งพื้นฐานที่เราถ้ามองข้ามไปแล้วเราจะมีปัญหาได้ไมันเป็นฐานะที่ประมาทแล้วจึงต้องอย่าประมาทเรื่องฐานะทั้งหลายทั้งปวงเลย ฐานะห้าประการที่ใครๆก็ไม่ได้ยังมีเรื่องฐานะอื่นอื่นอีกที่ก็ประจักษ์ไว้ฐานะสามอย่างบ้างฐานะห้าอย่างบ้างฐานะเจอย่างบ้างอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาด้วยที่เน้นย้ำในที่นี้คือฐานะห้าประการที่ใครๆจะไม่พึงได้ในความแก่ความเจ็บความตายความสิ้นไปความชิบหายไปสิ่งเหล่านี้เป็น ธรรมดาท่านบอกไว้กับเป็นบราหนนด้วยท่านมาฟังพระพุทธเจาบอกไว้บอกว่าสัต์จะต้องพัดปรากจากของรักของชอบใจทั้งสิน้นการที่สัต์จะได้ตามปรารถนาในสังการนี้แต่ที่ไหนข้อที่สัต์จะหวังเอาสิ่งที่เป็นแล้วเกิดแล้วมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีการแตกดับเป็นธรรมดาว่าสิ่งนี้นั้นอย่าชิบหายเลย ย่อมไม่เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้มันมันเป็นมันต้องเป็นอย่างนั้นนะ่ะมันธรรมดามเป็นยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะ่ะสิ่งที่มีการแตกดับเป็นธรรมดานะ่ะธรรมดาเป็นอย่างนี้แล้วเราจะบอกเอออย่าแตกดับเลยมันไม่ได้แล้วถ้าเราไม่เห็นว่ามันเป็นเรื่องสาคัญเนี่ยมันจะเกิดอารมณ์แบบนี้แหละว่า โอ้อย่าจากไปอย่าสิ้นไปอย่าพากไปมันต้องมันต้องดีอย่างนี้อยู่ตลอดสิแต่มันไม่เป็นไงไอ้ที่ว่าถ้าเราทุกข์อยู่เนี่ยคือคุณอะไรประมาทแล้วประมาทแล้วเป็นฐานะที่มันจะต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราเดินไปอยู่ผิดที่ผิดทางผิดฐานะผิด ท, นะดที่ผิดทางผิดฐานะมันก็มีปัญหายังไม่เก็ตเรื่องพื้นฐานคิดว่าตัวเองเก็ต คิดว่าตัองเข้าใจกิดว่าตัวเองรู้แล้วแต่ถ้ามันซิ่งไปเสื่อมไปจริงๆตามวาระตามธรราของมันนะแล้วเราทุกเนี่ยอา้าวแสดงว่าเราที่ผ่านมานี้ไม่ได้เข้าใจเลยเอา่ามันไม่ได้เห็นว่าเป็นเรื่องไม่ธรรมดาแต่ดันเห็นว่ามันเป็นเรื่องสามัญเรื่องไม่สําคัญเห้ยเรื่องพื้นฐานนี่ตังหะที่มันสําคัญนี่ผู้ฟังเข้าใจไหมที่ว่าข้ารชาช้าจะต้องพูด ซ้ำไปย้ำมาเนี่ให้แบบเก็ตในความหมายทั้งสองของคำว่าธรรมดาธรรมดาหนึ่งคือพื้นฐานอีกธรรมดาหนึ่งคือมันเรื่องสำคัญนะเรื่องพื้นฐานที่สำคัญสาคัญยอย่ามีครั้งนะจะไปอันต่อไปแล้วนะอันแรกคือความเกิดขึ้นความดับไปเป็นธรรมดาอันที่สองคือสังขารทั้งหลายสิ้นไปเป็นธรรมดา อันที่สามคือเรื่องฐานะว่าสิ่งที่มีความแก่ความเจ็บความตายความสิ้นไปความชิบหายไปเป็นธรรมดานั้นจะอยากแก่อยากเจ็บอยากตายอยากสิ้นไปอยาชิบหายไม่ได้มันเป็นธรรมดาของมันอย่างนี้และอันที่สีคือว่าสิ่งที่มีการแตกดับเป็นธรรมดาเราจะมาได้ตามปรารถนาว่าอยาแตกไปอยาสิ้นไปอยาเสื่อมไปมันไม่ได้ สี่อย่างนะสี่พุทธพจน์ยกมาจะเห็นได้ว่าทั้งสี่อย่างนี้มันสอดคล้องลงรับกันน่ในเรื่องที่เป็นธรรมดาอย่างนี้เป็นพื้นฐานอย่างนี้แต่ถ้ามาย้ำอีกเพื่อหเห็นความสำคัญว่ามันสำคัญจริงๆนะจะพาเราพ้นทุกได้นะต่อไปอันที่5้าจะมาฟังข้อปรบรูตัที่5ที่ในเรื่องนี้ท่านจึงให้เราทการพิจารณา เนืองๆพิจารณาอยู่บ่อยๆพิจารณาอยู่เป็นประจำทำไมเพราะพื้นฐานมันสำคัญถ้าพื้นฐานมันสำคัญแล้วเราไม่ที่ว่าแบบพื้นฐานนะ่ำข้าไปก็ได้นี่เรื่องเบสิกพื้นฐานเข้าใจแล้วอ่าอ่าอาปลาดได้ไเพราะฉะนั้นทำไงเอามาทบทวนเนืองๆยังข้าพเจ้าเนี่เรียนภาษาบาลีอยู่ ตอนนี้ต้ระวังในหลักสูตรป ร, ริญญาธรรมสประโยชนพื้นฐานคือเรื่องบาลีวยากรณเขาไม่ได้สอนแล้วสอนมตั้งแต่ป ร, ริญญาธรรมหนึ่งป ร, ริญญาธรรมสองป ร, ริญญาธรมสามถแล้วเบสิคมากๆเลยซึ่งบางส่วนเนี้พอไม่ได้อ่านไม่ได้ทบทวนมันลืมไปแล้วเนะี่ยแต่ว่าบาลีวยากรณ์เป็นเรื่องที่ต้องใช้ไปจนถึงปริญญากราบเราก็ไปเรียนต่อๆไปอีกขั้นสูงอะไรไป มันต้องใชไวยากรนี่ตลอดเลยนะพอไม่ได้เอามาทบทวนลืมไปเาเราพลาดเองเรื่องเบสิกพื้นฐานเราดันลืมไปที่ว่าจะไปแปลอะไรที่มันขั้นสูงขั้นสูงแล้วแต่ถ้าพื้นฐานเราไม่ทบทวนจะไม่ได้ไม่คล่องไม่เข้าใจไม่ลึกซึ้งมันมันพลาดได้มีข้อผิดพลาดแต่ละจุดละจุดเนี่ยเขาจับผิดเอาเขากินเอาสอบตกได้นะ พื้นฐานนี่สําคัญเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาบาลีไวยากรณ์อย่างเงี้ยมาทบทวนหนึ่งๆอะไรเป็นประธานอยากได้เป็นยังไงกิริยากรรมคําขยายเรื่องของเทนส์เรื่องของอะไรก็มาทบทวนนี่คือยกตัวอย่างเปรียบเทียบ ต, ต้องมีการพิจารณาเนืองๆตนบอกสิ่งที่ควรพิจารณาเนึ่งๆทั้งคฤหัสถ์และบัญญัติ ทั้งผู้หญิงผู้ชายท่านบอกไว้มีห้าประการหนึ่งเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้สองเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้สเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ ี่เราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นและห้าเรามีกรรมเป็นของของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพัน์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น แยกออกได้ห้าประการอย่างนี้ตมูฟังเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาเนืองๆเพราะมันเป็นเรื่องเบสิกพื้นฐานธรรมด า, รรมดาแต่มีความสำคัญมากๆเอาสามข้อแรกก่อนตัมูฟังเพราะมันมีคำว่าธรรมดาส่วนเนืองของกา ร, รนี้ข้าพเจ้าจะเอามาพูดในโอกาสต่อไปเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญ จะำเป็นซีรีส์เลยล่ะสัก 2-3 สามตอนพูดถึงเรื่องกรรมอย่างเดียวพอตอนนี้พูดถึงเรื่องธรมธรมดาธรรมดาคือเรื่องพื้นฐานที่มันไม่ธรรมดาคือสำคัญแกนี่แหละมันเป็นเรื่องธรรมดาเจ็บไข้นี่แหละเป็นเรื่องธรรมดาตายนี่แหละเป็นเรื่องธรรมดาพลาดพรากจากของรักของชอบใจนี่แหละเป็นธรรมดาที่มันเกิดขึ้นแน่นอน คำว่าเกิดขึ้นแน่นอนเนี่ยเพมันเปอะไรมันเป็นพื้นฐานมันเป็นอย่างงี้เกิดขึ้นกับทุกคนแน่นอนแกนี่ปรากฏรูปก็มีไม่ปรากฏรูปก็มีเช่นคันแก่นี่ก็เรียกคันแก่แล้วหู้ท้องใหญ่ปานนี้ก็ต้องคลอสิก็ไหนบอกว่าเพิ่งเกิดแล้วทำไมบอกแก่เออมันมันแก่มันตั้งแต่เกิดแล้วไงเพราะว่าจะคลอดออกมาคันต้องแก่ก่อน จนท้องยุบลงไปเนี่ยครอดแล้วคร อ, อดแล้วเป็นไงก็เกิดไงเขาได้เกิดคนนั่นแล้วแกมาตั้งแต่เกิดไงแกเป็นธรรมดาเราคิดว่าไอ้คนเนี้ยตายตั้งแต่ยังเป็นเด็กยังไม่แก่เลยโตจะไปรู้ได้ไงว่าเซลล์บางเซล์มันตายไปอยู่ข้ น, นแล้วมันแกแล้วมันก็จึงตายเซลลตายบางเซลล์มันก็ไม่ผลิตใหม่มันไม่สร้างใหม่ขึ้นมามันก็ตายไง กลายเป็นความตายที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าจริงๆความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่จะให้ปรากฏเห็นชัดเจนหรือมันซ่อนอยู่ถูกปกปิดไว้เราจึงไม่เห็นมีทั้งสองรูปแบบตามฝัง เ, เรื่องความแก่นี่ก่อนเรื่อความแก่นี่คือความมีหนังเหี่ยวฟันหลุดผมงอ มีตัวเป็นริ้วรอยตัวโค้งไปข้างหน้ากำลังวังชาไม่มีดึลักษณะความแก่ที่ปรากฏรูปขึ้นมาหรือท่านบอกไว้ว่าเป็นความแก่รอบก็ได้แก่รอบของสิ่งต่างๆแก่รอบอย่างเช่นยังไงคันนี้ไงจะคลอดเนี่ยคันแม่เนี่ยพอมันถึงรอบของมันเนี่ยต้องออกมาอันนี้คือความแก่รอบของเขาหรือเด็กอย่างนี้ จากเด็กใช่ไหมเดินไม่ได้งอมืองอเท้าอยู่พอครบรอบของเขาเ อ, อมือเท้าแข็งแรงขึ้นมาคนเริ่มเดินได้เดินได้เนะี่ยมันก็กลายเป็นเด็กเดินได้ใช่ไหมไอ้จากเด็กที่นอนอแอ่งแมงกระดึบกระดึบไปมาเป็นเดินได้เนี่ยคือครบรอบของเขาเนี่ยกแก่ขึ้นแล้วอายุผ่านไปปีหนึ่งปีหนึ่งไอคือแก่ขึ้นปีหนึ่งปีหนึ่งนะ แต่เราเรียกว่าโตขึ้นเฉยๆเออนี่เด็กมันโตขึ้นนะเนี่ยไอ้ที่ว่าโตขึ้นโตขึ้นมันคือแก่ขึ้นนั่นแหละแต่ทำไมเขาเรียกว่าโตเพราะมันยังเห็นด้วยความเติบโตอยู่ความเติบโตหรือความสุดโทมมันคือความแก่เหมือนกันต่างกันที่ว่าสโลปมันไม่เท่ากันส l o p เป็นบวกก็คือเติบโตส l o p เป็นลบก็คือสุดโทมคือแก่นโห้ oh. อะไรที่มันมีความแก่รอบไปทั้งหมดนะั่อคือความแก่หมดจะปรากฏเห็นรูปสุดโทมหรือรูปเจริญขึ้นเท่านั้นเองความที่มันค่อยๆสิ้นไปสิ้นไปแห่งอายุทั้งหมดเนี่ยคือความแก่นะตัฟังซึ่งมันอยู่กับเราตอนนี้เลยนะอยู่ในตัวเราตอนนี้เลยเนี่ยแล้วถ้าเราไม่เข้าใจยอมรับมันไม่ได้นะี่ะ คือ่นบอกว่าเราไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้นะ่ะเราทําไมอ่ะก็คุณเกิดมาแล้วอะไรเป็นเหตุของความเกิดความแก่หรือความตายละ่ะคือการเกิดเกิดมาแล้วยังไงมันต้องแก่รอบลงร่วงพ้นไปไม่ได้ตอนี้ก็มาล่วงพ้ไปไม่ได้เพราะเหตุมันมาแล้วใช่ไหมตอนนี้จะล่วงพ้น หรือให้เจ้าความแก่ความเจ็บความตายดับไปได้เดี๋ยวจะค่อยพูดกันว่าจะทํำยังไงจะแก้ที่เหตุมันยังไงในขั้นตอนแรกนี้ท่านบอกว่าความแก่เป็นธรรมดาไม่ลงผลไปได้ต้องพิจารณาเนืองเนืองพูดแล้วเองพูดไปก็ตอบเองไปท้องฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามันเป็นอย่างนี้สปอยกันไปเลยก็ได้ว่าเราจะอยู่พ้นอยู่เหนือจากความแก่ความเจ็บความตายได้ก็พิจารณาเนืองเนือ ง, งมันนี่แหละ พิจารณามันหนึ่งเนืองนี่แหละเอา้าทำไมตัวมันถึงมาแค่ตัวมันได้มันไม่ใช่งานพอเราพิจารณาหนึ่งเนืองแล้วปัญญาเราจะเกิดปัญญาไม่ได้เกิดขึ้นเองนะแต่ปัญญาเกิดจากการพิจารณาปัญญามีแล้วไม่ใช่ไว้แกงกินนะปัญญาต้องเอามาใช้ตัดกิเลสความยึดถือยึดถือพอเราตัดมันด้วยปัญญาว่าอย่ายึดถือนะนอะไร ในสิ่งที่มันมีความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลาดความสม่อเนี่ยคุณตัดความยึดถือในสิ่งเหล่านั้นเสียความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นยังไงมันก็ดับไปไงดับไปหายไปเพราะเราไม่ยึดถือคือไม่ไปเกิดอีกเพราะว่าเหตุแห่งการเกิดคือความยึดถือพอเราไม่ยึดถือแล้วมันมีมีการก้าวลงไปสู่เป็นพบเป็นสภาวะมันก็มีการเกิด พอไม่มีการเกิดความแก่ความเจ็บความตายความปัดจุาัเหล่านี้ก็สิ้นไปมัสปอยก่อนนะคือต้องพิจารณาเนื่งเนืองพิจารณาเ น, ง, นงในความแก่กเราไม่ร่วมผลความแก่ไปได้แต่พอปัญญาเกิดแล้วใช่ไหมความแก่มันดับไปได้เออให้เข้าใจตรงนี้ช็อตมันต้องเป็นทีละช็อตละช็อตต้องเป็นลําดับขั้นตอนมาจะให้เกิดปัญญาได้ต้องพิจารณาเนืองเนือง พอเกิดปัญญาหลังจากการพิจารณาหนึ่งๆแล้วเราจะละไอสิ่งที่เป็นความแก่ความเจ็บความตายนั่นแหะได้อยู่เหนือมัอนได้ประการที่สองความเจ็บเป็นธรรมดาไอ้ฉันก็สุขภาพดีนะไม่ได้มีความเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรคือคนที่ปรากฏรูปของความเจ็บไข้ก็มีนะนอนสมอยู่ที่อยู่โรงพยาบาลมีทุกเวทนามาก ปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดเอวปวดนั่งปวดไหล่ปวดหน้าปวดท้องปวดมันไปหมดได้ทุกที่นี่คือปรากฏรูปให้เห็นแต่ความเจ็บไข้ก็ลักษณะเดียวกันกับความแก่จำบังมันจะมีความเจ็บชนิดที่เราไม่ได้เห็นมันอยู่มันซ่อนอยู่พูดถึงความเจ็บไข้แล้วก็ต้องพูดถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บถูกไหมล่ะโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นเชื้อเนี่ยมันมี จะในเชื้อโรคต่างๆที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยมันมีอยู่นะแบคทีเรียไวรัสปรสิตอะไรต่างๆมันอยู่ในตัวเราที่มีระบบการคุ้มกันระบบเม็ดเลือดระบบน้ำเหลืองมันคุ้มกันกันอยู่มันจึงซ่อนอยู่อย่างคนได้เป็นโรคมาเรียเนี่ยนะท่านฟังเชื้อเนี่ยมันไปซ่อนอยู่ในตับก็ได้ในปอดก็ได้ในไตก็ได้ เชื้อไปซ่อนอยู่แล้วพอถึงเวลาปุ๊บร่างกายเราอ่อนแอมันออกมาเนี่ยสางพวกมันเพิ่มขึ้นเป็นไข้เป็นหนาวเป็นอะไรเอ้ามันปรากฏรูปมาเห็นความเจ็บไข้นี้ที่จริงมันซ่อนอยู่ในตัวเราเชื้อนี่มันซ่อนอยู่ในตัวเราพอมันซ่อนอยู่แล้วมันไม่ได้มีปริมาณมากพอที่จะให้เราปรากฏเห็นเป็นอาการเป็นไข้เป็นหนาวเป็นปวดเป็นเจ็บเนี่ยมันไม่ได้ปรากฏเห็น มันซ่อนอยู่โรคบางอย่างที่ไม่มีเชื้อก็เหมือนกันนะต่รวจโรคพวกหัวใจหลอดเลือดถึงคนเป็นโรคหัวใจตไตหยีแบเงี้ยเส้นเลือดที่หัวใจมันมีไขมันไปอุดตันทําให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอมันตลกไหมหัวใจนี่เลือดนี่ผ่านอยู่เป็นประจําเลยเออแต่หัวใจถึงเวลาแล้วทําไมไม่มีเลือดไปเลี้ยงเลี้ยงไม่พอ เออมันก็ก็แปลกเหมนะือนกันนะก็เป็นซ่อนอยู่ไงยังรวมถึงพวกที่เป็นส t r o k เงี้ยคือเส้นเลือดในสมองอุดตันเนอะอาจจะเป็นลิ่มเลือดไปอุดตัน cross stroke ไปอุดตันพออุดตันแล้วแบบเป็นส t r o k ขึ้นมาเนอะเอามาพายไปครึ่งซีบ้างพูดไม่ชัดบ้างเดินไม่ได้บ้างหลายอย่างเลยทีนี้มันไม่ได้มีเชื่ออะไรนะไม่ได้เป็นเชื้อไวรัสไม่ได้เป็นเชื้อ ปรสิตแบคทีรียหรืออะไรแต่มันเป็นระบบในร่างกายของเราเองที่มันทํางานไม่ดีแต่มันซ่อนอยู่มันยังไม่ปรากฏออกมาให้เห็นว่าอะไรคุณเป็นสโตร k แล้วคุณหัวใจวายแล้วคุณช็อกแล้วแต่มันซ่อนอยู่มันมีอยู่เป็นธรรมดาของมันอยู่งี้แต่บางทีมันยังไม่ปรากฏรูปเราไม่จะร่วงพ้นความเจ็บไข้นี้ไปได้ตั้งแัง พิจารณหนึ่งหนงคือมันอยู่กับเราตอนนี้เลยนะความแก่ความเจ็บนะหรือคิดว่าเราเราไม่มีโรคนะเราสบายดีนะโน่นะไม่ใช่นะมันอยู่กับเราตอนนี้อยู่ในตัวเราตอนเนี้ทั้งมาเรงทั้งสารอุดตันทั้งไวรัสแบคทีเรียพาราสิตจุลินทรีย์ต่างๆมันอยู่ในตัวเราตอนนี้นะสจำบ้างคิดเราก็เสียวอยู่เหมือนกันนะ โอ้จะเป็นเมื่อไหรจะเป็นเมื่อไหร่ถ้าพิจารณาเนืองๆไม่ถูกนะเกิดความกังวลใจบางคนนี่แบบคือกังวลใจมากจนจนเพี้ยนนะเดีก๋กินยาแล้วก็เดินแล้วก็นั่นทานั่นนี่แบบเป็นคนจับจดนะภาษาอังกฤษก็เรียกว่า OCD OCD ย่อมาจาก Obsessive Compulsive Disorder ตะปูภาษาไทยคือโรคย้ำคิดย้ำทำ มันจะบนั้นทำให้มันทำอยู่เรื่อยเนี่ยเนยด้วยความกังวลใจข้อใดข้อหนึ่งเป็นโอซดีขึ้นมาปานนั้นน่ะเกินไปอันนี้พิจารณาไม่ถูกถ้าพิจารณาไม่ถูกทําให้เป็นมันปล่อยวางไม่ได้มันยิ่งจะยึดติดมากขึ้นกลายเป็นความกังวลเป็นความกลัวเป็นความข้องใจไม่เข้าใจหรือถ้าไม่พิจารณาเลยมันก็กลายเป็นประมาทมัวเมากิเลสมันเอาเราสองทางเสมอนะทางที่เราให้ไม่ทํา ไม่ต้องกังวลอะไรเอาคำนี้มาอ้างว่าไม่ต้องกังวลแต่ประมาณนั่นแหละหรือถ้าทำก็ทำมากจนกังวลใจจนแบบว่าเพี้ยนไปมันเอาเราสองทางเสมอเราจึงต้องเอาตรงกลางๆทางสายกลางไม่ใช่กลางๆแบบว่าเดี๋ยวกังวลใจบ้างเดี๋ยวเพลินบ้างอะเดี๋ยววันนี้เหลือไปวันนี้กังวลใจไป ไอ้อย่างนี้ไม่ใช่กลางๆอย่างนั้นนะแต่กลางๆนี่คือการพิจารณาเนืองๆด้วยปัญญาพราพิจารณาเนืองๆเพื่อให้ปัญญาเกิดปัญญามันจะเกิดเกิดแล้วมันจะตัดความกังวลข้อนี้ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ลวง้นความเจ็บไข้ไปได้พิจารณาแล้วจะคลายความกังวลได้ถ้าพิจารณาแล้วยังมีความกังวลอยู่คือแาพิจารณาไม่ถูก ที่ถูกคือให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องพื้นฐานมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้มีความสำคัญแต่อย่าเพีเ้ยนและประการที่สามคือเรามีความตายเป็นธรรมดาจะไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตนะตั้มฟังความตายที่เราเห็นได้คุณไปวัดไปงานศพอย่างนี้เออมีงานศพ ญาติบ้างเพื่อนบ้างเพื่อนของญาติบ้างญาติของเพื่อนบ้างเอ้เราไปงานศพนี่คือคนตายนะการทอดทิ้งร่างการสิ้นไปแห่งชีวิตการที่กายนี่มันตายไปแตกไปหมดลมหายใจพวกเนี้คือความตายที่เห็นปรากฏอยู่แต่ที่มันซ่อนอยู่เราไม่เห็นมีอยู่กับเราตอนนี้เลยทั้งความแก่ด้วยความเจ็บด้วยนะความตายด้วยเนี่ย มีซ่อนอยู่ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี่แหละคือเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยนุกฝังเรายังไม่ได้ต้องพูดถึงเจ้าจุลินทรีย์แบคทีเรียอะไรที่มันดีๆอยู่ในท้องเนี่ยมันตายเกิดกันเป็นว่าเล่นเลยทุกวันทุกวันเนี่ยมันมีส่วนที่แบบพอเราถ่ายอุจจาระออกไปอะพวกจุลินทรีย์เนี่ยมันก็ตายละหรือแบคทีเรียมันก็ตายละออกจากตัวเราไปหรือในท้ององเรางี้บางทีเรากินยาบางทีเรากินสารอะไรลงไป อาหารบางประเภทก็ทําให้ลวกจุลินทรีย์มันตายไปละแล้ามันตายอยู่ในในท้องเรานั่นเนี่ยในตัวเรานะต่ไม่ว่งอาจจะบอกว่าคนนี้มันไม่ใช่ตัวมนุษย์นะมันไม่ใช่เซลล์มนุษย์เป็นเซลล์ของพวกไมโครบซึ่งมีช่วยแรงต่างไม่เลยเซลล์เราก็เหมือนกันตายอยู่ทุกวันนี่เล็บเนี่ยาวไหมเล็บยาวนี่ยแล้วออเซลล์มันตายอ่ะผมยื่นออกไหมผมยาวขึ้นไหม โอ้ยพระนี่ยต้องโกนผมทุกเดือนทุกเดือนนี่นั่นแหละเซลล์มันตายออกเนื้อถูขี้ใครนมีกี้ใครไหมบางกนไม่ถูด้วยไม่ขัดด้วยโอ้มันก็มีกี้ใครใช่ไม่มแต่ว่าได้ถูได้ขัดแล้วขี้ใครที่ออกมาแล้วแหละมันคือเซลล์ตายยังมีอีกเป็นล้านๆเซลล์ที่อยู่ในตัวเราที่มันตายทุกวันทุกวันนี่เพราะว่าเซลล์เซลล์หนึ่งมันก็มีอายุแค่ปีหนึ่งสองปีเนาะเซลล์หัวใจของเราเนี่ย มันไม่ใช่หัวใจเดิมเมื่อหกปีที่แล้วนะทุกเซลล์ในหัวใจเนี่ยมันตายแล้วมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็ก๊อปปี้ตัวเองเกิดขึ้นมาใหม่น่ะไอ้ของเก่ามันตายไปแล้วเอาแล้วไปไหนแล้วท่านไปตามเลือดตอนแล้วเลือดไปไหนใหท่านไปกรองที่ไตบ้างไปกรองที่ตาบ้างเอาของเสียเนี่ยแล้วออกไปทางอุจจาระปัสสาวะต่างๆออกไปแล้วของเสียเหล่านั้นเซลลที่ตายเหล่านั้นทิ้งไปแล้ว เป็นสร้างไปแล้วตายไปแล้วโอ๊ะแต่เรายังมีชีวิตยอยู่ปะ่ะกั้นแล้วมันซ่อนอยู่ไงความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตถเราคิดว่าเออเรายังไม่ตายหรอกมันยังดีอยู่เดี๋ยวทำนั่นทํานี่เดี๋ยวไปเที่ยวไปกินนั่นคือประมาทไม่เห็นเป๋าเบลนต้องไม่ประมาทต้องให้เห็นก็มันอยู่กับเราตอนนี้แต่เรามองไม่เห็นก็เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องสาคัญเรื่องเบ็ดได้แบบนี้ แต่มันเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดานะเรื่องความตายเราเห็นคนเขาไปอยู่ในหีบในกล่องในงานศพก็ตั้งโชวไว้โอโ้โหนัคือเทาจ ร, จริงเราจริงๆเนี่ยเป็นซากจริงๆเนี่ยแล้วให้น้อมเข้าสู่ตัวตั้ังน้อมเข้าสู่ตัวเราว่าเออสักวันหนึ่งเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ นี่คือความตายสิ่งที่ต้องพิจารณาไปในเซตนี้ด้วยกันประการที่สี่คือเราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิน้นของรักของชอบใจเราจะให้แบบเก็บไว้อยู่กับเราตลอดขณะตายแล้วเนี่ยเขาจะเอาลงไปในโลงอะทำหลุมศพทำอะไรให้เสร็จแล้วก็เอาสิ่งนี้ลงไปด้วยเอาตุ๊กตาเอาเพชรนินจินดาเอาแหวนหรืออะไร แล้วพอผ่านไปสักหลานปีอะสักอ๋อพันปีอะแล้วก็มีคนมาขุดเจอก็เหมือนเรานี่แหละไปขุดเจอวันก่อนนีเข้าพเจ้าได้ไปเตรียมเภอร์สีท า, าตมาระวั ง, งแล้วก็ไปดูพุทธสถานตรงนั้นเรือเป็นอุทยานประวัติศาสตร์เขาไปขุดเจอโครงกระดูกมนุษย์โอ้นี่เธอใส่เครื่องประดับนี่อย่างงามเลยนะ แล้วก็ยังมีทรัพสมบัติอะไรต่างๆด้วยเป็นโครงกระดูกผู้หญิงก็ว่าเราก็ต้องเป็นผู้หญิงที่สูงศักด้วยแหละมีฐานะพอสมควรนะ่ย <c oughs> ก็ถึงจะมีข้เรื่องประดับประเภพณีเป็นพิเศษแบบนี้มาจากถิ่นอื่นแดนอื่นไม่ใช่เป็นแบบของโฮเมดเขาถึงขนาดว่าอยากให้คนเนี่ยเขามีอะไรติดตัวไปด้วยนหละเอาใส่ลงไปในโลงด้ว ย, ยฝังไว้ด้วยเนี่ยโอ้พอหลายพันปีถัดมาเรามาเจอ อายังอยู่ที่เก่าเขาไม่ได้เอาไปด้วยแม้แต่ร่างกายก็เอาไปด้วยไม่ได้คือถ้าเอาไปได้มันหายไปแล้วดูเปะละ่าแต่วันนี่เอาไปไม่ได้เรามีโครงกระดูกทิ้งอยู่ตรงนี้รวมถึงทรัพย์สินสิ่งของเข้าของหรือเราดูไดส้สุสารสูสารของจักรพัฒห้องเต้อะไรต่างมีทรัพย์สินสมบัติเต็มไปหมดเลยนะหรือพีระมิดอา้าพีระมิดอันที่เป็นสุสารเนี่ย พวกใส่ทรัพย์สมบัติะอะไรต่างๆลงไปพอไปขุดค้นเจอหายเรียบทำฝังหายเรียบคนเจอก็ออกไปแล้วเอาไหนบอกเป็นของเขาไงไม่ใช่ของฉันตอนนี้ไอเรานี่ก็เหมือนกันนะเรานี่ก็เหมือนกันว่าถ้าเราเก็บไว้แล้วพอเราตายแล้วคิดว่าจะเอาไปด้วยโน่ไม่ได้อีกพันปีข้างหน้าเขามาขุดเจอซากเราก็าก็เห็นของของเราเนี่ยอยู่ด้วยแหละ เอาไปไม่ได้เลยแม้แต่ร่างยังออกไปไม่ได้นี่ยังจะเอาชีวิตตัวเราไปได้ยังไงถึงวันที่ต้องพัดพ ร, รากจากกันคือวันตายนั่นแหละอยังไงนั้นมีมาแน่นอนบางทีเราขับรถออกจากบ้านวันนี้สมมุตินะที่เราอาจจะไม่ได้กลับมาอีกอเปล่าก็ไม่รู้เตียงที่เรานอนวันนี้ที่เราอาจจะได้ลุกขึ้นอีกหรือเปล่าพรุ่งนี้ก็ไม่รู้คนที่เราเห็นอยู่นี่ สิ่งที่เราเห็นอยู่นี่เออพอเราเหลียวตาจากเข้าไปดูเราจะได้เห็นกันอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้คือมันไม่แน่แต่ความรัพรพลามีแน่นอนเอาก็แค่ว่าคุณหันจากไปคุณเจอคนนี้อยู่ เ, เดี๋ยวฉันขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะจากเข้าไปแล้วเนี่ยนี่ก็พลาดพากันแล้วเอาก็ใช่ไงมไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาป่ะคุณบอก เ, อเี้ยฉันคิดถึงเธอโทรหา เราจะต้องไม่พลากจากกันหรือคนหนึ่งก็ไปทำงานคนหนึ่งก็อยู่บ้า น, นก็เรื่องพระพลากจากกันละมันซ่อนอยู่แต่คุณไม่เห็นอะไรไม่เห็นเพราะความเพลินไม่เห็นเพราะความเผลอไม่เห็นเพราะเหล่านี้คือความประมาทประมาทงไงจึงไม่เห็นว่าเนี่ยพลาดพลากกันแล้วแต่คิดว่ายังติดกันอ ย, ยู่อยู่เพราไม่เห็นไม่เข้าใจพอไอ้คนหนึ่งตายไปคนหนึ่งทิ้งไป มันก็เลยโอ้โหพราปราดรานี่ของจริงแล้วเนี่ยฉันพลาดพลากแล้วอ๋อก็ไอ้ทอี่เห็นพลาดพลากกันอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ไดเอามาพิจารณาเนืองเนือนะพอไม่ได้พิจารณาเนืองเนืองแล้วปัญญามันไม่เกิดไงพอปัญญาไม่เกิดมันก็ตัดไม่ได้ใช่ปะตัดไม่ได้มีความยึดถือมันก็เป็นของหนะักเราก็จะทุกไปตามสิ่งที่แปรโปรวนไปเป็นธรรมนั้นท่านจึงให้พิจารณาเนืองเนืองว่า เราจะต้องพัดพลากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นแลในประการสุดท้ายต้องฟังเรื่องของกรรมเรามีกรรมเป็นของของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเป่าพันธ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นกำว่กรรมนี้หมายถึงการกระทำ หมายถึงเจตนาทั้งดีก็มีไม่ดีก็มีคนแต่เราบางทีใช้คำว่ากรรมในเปี่ยงความหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นเออเนี่ยเป็นกรรมเนี่ยมันเวนกรรมเนี่ยมันใช้กรรมมันเป็นบริบทความหมายที่เป็นในทางลบทั้งสิน้นแต่ว่าคำว่ากรรมจริงๆแล้วมันบวกก็มีกรรมดีก็มี เราบางทีเราพูดดี๋ยวนี่คนนี้ก็ทํากรรมมาดีนะโห้คนนี้ก็มีบุญนะอย่างคนนี้ก็มีวาสนานะเขาก็มักเกิดจากกรรมที่ดีเมื่อนกันเป็นตายายของกรรมนั้นมันก็่ะสิ่งที่เราพิจารณาหนึ่ ง, นงในข้อนี้ประการที่หาว่าเรามีกรรมเป็นรรของของตอนเนี่ยนะกรรมนี่มันจึงเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญพระพิจ้าอยากจะมันจัดเป็นซีรีส์สักซีรีส์หนึ่งไปเลยหลัาจากสักสองสามตอน พูดถึงเรื่องกรรมอย่างเดียวแต่ว่าในตอนนี้จะพูดในบริบทที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องธรรมดาธรรมาคืเรื่องพื้นฐานว่ากรรมเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเราจะคิดว่าเออฉันทํากรรมดีแล้วนะเช่นฉันให้ทานแล้วฉันไปวัดถวายกระถินถวายผ้าป่าแล้วแร้วฉันก็ดังสมาธิแล้วด้วยนี่ฉันทําเป็นรูปแบบอะไรต่างเหล่านี้แต่ว่ากรรมเนี่ยมันทุกขณะนะเพ่าะว่าเรา ขับรถไปถูกเขาขับปาดหน้าแล้วคิดด่าเขาถึงพ่อแม่เขาเลยเนี่ยไอ้ที่เป็นกรรมนะขณะขับรถเนี่ยหรือเราทํางานแล้วเกิดไม่พอใจหัวหน้าทําไมมาพูดอย่างนี้คิดตําหนิเขาในใจอ่า น, า น, า น, านันเป็นกรรมะนะลบก็มีบวกก็มีบวกอย่างเช่นว่าเออคุณไปเห็นสุนักษณจัดแล้วโอ้สงสารมันจริงจริงเ อ, เอาให้อาหารมันซะเอานั่นก็เลยบุญนะเป็นกรรมดีแล้เนี่ยบวกขึ้นมาละ หรือบางทีเราเห็นคนเขาโอโทหน้าสงสารจริงๆแต่เราไม่มีอะไรจะให้แผรเมตตาให้เขามีจิตนึกกรุณาสงสารนั่นเป็นบุญแล้วเป็นบุญเกิดขึ้นแล้วขณะนั้นเลยในชีวิตประจำวันเป็นธรรมดามีอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องพื้นฐานทั้งบวกและลบคำว่าบวกคือคุณเกิดปัญญาคำว่าลบคือถูกกิเลสมันเอาอีกด้านนึง จากพิจารณาความแก่ไม่ลงพ้นความแกไม่ไปได้กิเลสเอาอีกด้านหนึ่งเป็นยังไงกลายเป็นคนวิตกกังวลกลายเป็นคนที่มีความเครียดเป็นโอซีย้ำคิดย้ำทำพอพิจารณาหนึ่งๆอย่างนี้แล้เว เ, ลเกิดความกลัวเกิดความกังวลกิเลสเอาอีด้านหนึ่งไม่ได้อย่าไปทงนั้นลบก็มีเอาบวกดีกว่าบวกนี่คือไม่ใช่ว่าขี้เกียจทำไม่ใช่ก็ไม่ต้องทํานะนั่นก็สุดตรงอีกข้างหนึ่งแต่บวกนี่คือเอาตรงกลางๆเพื่อให้เกิด ปัญญาปัญญาในการเห็นตามความจริงๆนี่แหละทุกฝังเเราจะสามารถวางละกาจัดความยึดถือด้วยเรื่องพื้นฐานพื้นฐานอย่างนี้แหละเราก็จึงจะอยู่เหนือจากความเป็นพื้นฐานสูงขึ้นจนถึงระดับโปรกุตราได้นั่นเองทุกฟังในวันนี้ฝังเอาไว้เรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดาแต่ยกประสูดคำสอน ที่มีบทวาดธรรมดาธรรมดาเหล่านี้มาเปรียบเทียบอธิบายทำความเข้าใจให้ตัมฟังได้ฟังว่าเรื่องพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในช่วงของใต้ร่มปฏิบัตินั้นจะมาพบกับตัมฟังเป็นประจาในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีห6ถึงโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระชายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่าง จนทางออนไลน์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ที่เป็นเครื่องเล่นที่ต้องมีแอปพลิเคชันอาจจะแอป l e p o พอดแคสต์สปอติฟายกู p ก d c พอดแคสต์เหล่านี้โดยเซิร์ชจากคำว่าปัญญาภาวนาในทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือว่าที่เว็บไซต์กลายติมฟังที่ปัญญา o r g p a n y a. R G. รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิ ธ, ธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาใบูรณ์อภิปุญโนเป็นผู้ดาเนินรายการลราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญปร่